2 6งร้อกษุิจจงใจพยายามน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิไม่เคลื่อนต้องอบัตทุลใจัิภิกษุจงใจไม่พยายามน้ำอสุจิเคลื่อนไม่ต้องอบัตภิกษุจงใจไม่พยายามน้ำอสุจิไม่เคลื่อนไม่ต้องอบัติภิกษุไม่จงใจพยายามน้ำอสุจิเคลื่อน ไม่ต้องอาบัติภิกษุไม่จงใจพยายามน้ำอสจิไม่เคลื่อนไม่ต้องอาบัดพิสูจน์ไม่จงใจไม่พยายามน้ำอสิจิเคลื่อนไม่ต้องอาบัดพิสูจน์ไม่จงใจไม่พยายามน้ำอสจิไม่เคลื่อนไม่ต้องอาบัด